คนฉลาดจะรู้จักควบคุมตัวเอง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 เราจะหนีไปไหนความทุกข์อยู่ที่ใจเราเราต้องแก้ปัญหาที่ใจเราก่อนถ้าใจเราสงบแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนก็สงบแม้ว่าที่นั้นจะวุ่นวายถ้าใจเราไม่สงบไปอยู่ในที่ที่สงบใจเราก็ยังเป็นทุกข์อยู่มันสำคัญที่ใจเราจะหนีไปไหนพ้นพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าทุกข์เนี่ยให้กำหนดรู้ทุกข์ไม่ได้มีไว้สนหรับหนีนะทุกข์มีไว้สำหรับรู้